ตาม้เจความว่าใจของผมคือว่ายางยางที่ผมเปิดเป็นสามพ่เทียนเ hmm. นี่นก็คือฝุดความสวยให้ให้มากเรยเรืนนขนาดยกก็ต้องรู้รู้อย่างนี้นคือพ่อเขียนคือถ้าตั้งค่าให้เราตั้งค่าอย่างคุณยาทำเทนงก็ท่านจะท่า น, นที่ผมค่อนจะเจ็บก่อนจะมามาต่างว่าก็คือคือใจคุณยาเนีงเยนงก็ลาบนะน้กบผมว่า จิตสองเราทางธรรมชาติจะไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่งอายุให้รู้ไปเรื่อยให้รู้ตามปัจจุบันธรรมเออดีล้วอะไรอย่างที่ว่าใจกรใจระลุใจกระลุแล้วจะปิดขึ้นมากระลุให้รู้ตามสวาธรรมที่ตตามปัจจุบันเออดีแล้วรู้ไปอะแต่ทีนี้รู้รู้อย่างคุณยายว่าที่ผมเคยกระรของคุณยายทำก็คือว่าเราเรารู้ไปแล้วนี่จิตจิเรา กระจรเข้า ไ, ไปก็จรวนไปอยู่กับกับพละภาวะแต่พอมาสายทางวัเทียนนี่คือที่ที่ที่ผมฝึกกัอาจารย์ทางสายวัดเรียนเนี่ยแบบว่าให้เรามีความสึกโัจากการสร้างระหวังหนึ่งไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆแล้วก็สิ่งที่ที่คุณยายพูดมาเราจะรู้ดี อ, อันนี้ไม่ทราบต้องอาศาาัยอาศัยจังหวะอาศัยการสร้างสร้างสร้างรูปแบบติกของ สร้างไปก่อนก็ได้นะค่อยทําไปก่อนก็ได้อย่างเมื่อสองวันสุกร์หมอกําพลมาลหมาอกําพลอา่ยู่สุพรรณมั้งอยู่อู่ทองหมอกําพลคนละกําพลมั้งนี่คาพลนี่สอนแนวหลวงพระเทียนอยู่ที่แถวพุทธมนตรนะก็พานาก็ตื่ขึ้นมาแล้วคือปัญหาใหญ่ก็คือ ตัวรูปแบบนี่ยังไม่ใช่ตัวหลักนะการสร้างจังหวะขึ้นก่อนก็เป็นอุบายนหนึ่ง<ช>ก็ดีดีกว่าเลื่อนลอยไปนะแต่ว่าหัวใจหรือแกนสารของการปฏิบัติคือทํำยังไงสติจะเกิดจริงๆสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดนะบังคับให้เกิดไม่ได้สติเกิดจากจิตเมันจําสภาวะได้เช่นมันเผลอไปเนะี่ยแล้วมันรู้จักว่าเผลอเป็นยังไงพอใจมันลอยแบบ มันรู้จักว่าใจลอยแล้วอ้อใจลอยแล้วตรงที่อ้อใจลอยแล้วเนี่ยสติมันเกิดนะงั้นสติที่เกิดจริงๆเนี่ยใจจะโลง่งใจจะเบ า, ใจ จ, เบาใจจะเบิกบานนะใจจะไม่ไม่อึดอัดนะอย่างสังเกตไหมใจของคุณมันยังไม่เบามันยังไม่เบารู้สึกไหมนะงั้นสติจริงๆยังไม่ได้เกิดขึ้นนะ มันยังมีความพยายามจะให้สติเกิดขึ้นนะความพยายามตัวนี้แหละกั้นเราไว้สิ่งที่ทำให้บางคนปฏิบัติเร็วบางคนปฏิบัติช้ามีสามัญนะที่หนึ่งตันหาถ้าอยากปฏิบัติแล้วลงมือทำแล้วก็ไม่มีทางถูกเลยเพราะระหว่างที่อยากแล้วไปทำเนี่ยการกระทำกรรมตามความอยากเนี่ยจิตในขณะนั้นความอยากยังอยูนะ่มันบงการให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเลย นั้นจิตทวงนั้นเป็นอากุโสรจิตแต่อาศัยตัณหาเชื่อาอาศัยความอยากเพื่อล้างความอยากหรือเปล่าต้องรู้ให้ทันนะ<ม>ของเราไม่รู้ทันเห็นไหมเราทำดุยดุยดุยหวังว่าวันหนึ่งจะแจ้งขึ้นมาบางคนแจ้งขึ้นมาบางคนไม่แจ้งนะคล้ยคล้โอบาลมีแก่กล้าอบรมมาดีก็แจ้งแล้วแ้วที่ยวใส่จีนาระจีนาก็ใช่ใช่แต่ว่าต้องรู้ทันนะรู้ทันสภาวะจริงๆไม่ใช่คิด ของคุณยังติดการคิดเยอะรู้สึกไหมโยนการคิดทิ้งไปนะอย่าเอาการคิดมาใช้หลวงเทียนก็ไม่สอนให้คิดนั่นอย่าเอาการคิดเปรียบเทียบมาใช้นะอย่างนี้สำนักนี้ว่ า, างนี้สำนักนี้นี้อันไหนถูกอันไหนผิดค้นกว้าด้วยการคิดเอานะโยนทิ้งไปเลยใจเด็ดเด็ดนะโยนทิ้งไปอคือตัวที่สองคือตัวทิฏฐิตัวความคิดความเห็นเนะชับ คิดเอาคิดเอานะตัวที่สามคือความถือตัวความถือตัวมีสองแบบถือว่ากูเก่งแล้วไม่ฟังใครนะฉันรู้เยอะผมรู้เยอะแล้วอะไรเงี้ยไม่ฟังนะอีกอย่างหนึ่งก็คือถื อ, ถอตัวว่าห่วยที่สุดเลยไม่เอาไหนเลยเรานี่โง่ที่สุดแล้ว เ, เลยทออแท้ใจนะนี่ถือตัวเหมือนกันมานะถือว่าเราไม่เอาไหนเลยนั่นอะั น, นตรายทำให้ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยสามตัวเนี้ย เพราะงั้นเวลาที่คุณปฏิบัติเนี่ยอยาพยายามทำให้สติเกิดอย่าคิดว่าทำยังไงสติจะเกิดอย่าอยากให้สติเกิดอย่าคิดหาทางทำสติให้เกิดเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นเหตุให้สติเกิดแล้วทาเหตุอ น, นั้นขึ้นมาแล้วสติจะเกิดเองตัวสติก็เป็นผลของการที่มันมีเหตุที่ถูกต้องอะไรทให้สติเกิด ไม่เกิดอันนี้แกล้งเกิดแกล้งคําสติจง ร, รู้สึกไหมว่าจงใจที่จะให้เกิดสติเพราะฉะนั้นะสติไม่ได้เกิดด้วยความอยากในคำภีร์เนี่ยสอนไม่ชัดชัดเลยถ้านะ พ, พี่ทำสอนชัดการจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดกจําสภาวะจํานะจดจําการจดจําสภาวะธรรมได้แม่นยำํำ เป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดงั้นหน้าที่ของเราคือต้องทำความรู้จักกับตัวสภาวธรรมสภาวธรรมคือรูปกับ น, นามหรือกายกับใจต้องรู้จักตัวนี้ถ้ารู้จักสภาวธรรมแล้วเนี่ยสติจะเกิด น, นี้วิธีที่จะทำให้รู้จักสภาวธรรมต้องรู้บ่อยๆต้องเห็นบ่อยๆเห็นรูปบ่อยๆเห็นนามบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองโดยไม่ต้องเจตนาให้เกิดรูปเห็นอะไรเนี่ยเห็นมือ มือไม่ใช่รูปมือเป็นสมมุติบัญญัติ น, ะนั่งอยู่นี่รู้สึกไหมเรานั่งอยู่เรายกมือเราคู่เราเหยียดเนะี่ยนี่คือบัญญัตลิล้วนๆเลยแต่ถ้าเป็นรูปจริงๆการรู้รูปรู้รูปจริงๆยากมากนะเราจะเห็นรูปมันไหวนะไอ้ที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราเลยใจของเราเนี่ยจะโล่งใจไม่มีน้ำหนักเักนิดเลยนะจิตต้องเป็นกุศลจริงๆเลยนะแต่ถ้าจงใจแล้ว ทำให้ความเคร่งเคียดนี่ของปลอมล้วนๆเลยนะนี่อาตมาชอบสอนให้ดูนามธรรมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่เป็นพวกคนเมืองเป็นชาวเมืองเป็นพวกชอบคิดนะกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกพวกตัณหาจริตพวกชอบสบายชอบสงบชอบความสุขนะการดูจิตเนี่ยเหมาะกับพวกที่ถีจริตพวกคิดมากนี้พวก จะรู้กายเนี่ยต้องไปทําสมถา ก, ก่อนถึงจะดีเราไม่ได้ทำํำอยู่ๆเราก็รู้กายเลยเพราะงั้นส่วนมากจะรู้ได้ไม่จริงการรู้จิตเนี่ยเหมาะกับวิปสัสสนาอย่างิีรู้เข้าไปตรงๆได้เลยเช่นความสงสัยเกิดก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้ให้คอยรู้เรื่อยๆอย่านั่งจ้องไว้ก่อ น, นอย่านั่งจ้องไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเคาะะคังแก้งต่อไปนี้ได้เวลาปฏิบัติแล้วอะต้องทําฟอร์มให้ดีก่อน นนั่งจ้องนั่งดนะูหรือจงใจทําจงใจทําใจนี่เครียดจ้ะนี่ไม่ถูกเผลอไปแล้วรู้ไหมถ้าเผลอรู้ว่าเผลอเนี่ยต่อไปพอเผลอบ่อยๆรู้ว่าเผลอเรื่อยๆนะต่อไปพอมันเผลอเนี่ยสติมันเกิดขึ้นเองอ้าเผลอไปแล้วจิตจะตื่นคล้ายๆอย่างเนี้ยคล้ายๆอย่างตะกี้แวบบตเกีนะ้มันจะตื่นบั๊บขึ้นมานะภาวะที่หลวงพ่อเทียนบอกให้ตื่นขึ้นตื่นก็คือภาวะอันนี้ ไม่ใช่ภาวะอย่างนี้แก้งตื่นนี่ไม่ใช่ของตื่นจริงดังนั้นขณะที่มีความอยากแล้วลงมือกระทํากรรมกรรมาฐานตามความอยากเนี่ยกิเลสเนี่ยเป็นสหะชาติปัจจัยของกรรมหมายความว่าในขณะที่ทํากรรมอยู่กิเลสก็ยังอยู่นะเพราะงั้นอย่างเราปฏิบัติด้วยความอยากจะปฏิบัติแล้วลงมือทําอุตรุเนี่ยจิตขณะนั้นมีกิเลสอยู่สติจะเกิดไม่ได้เลยเพราะสติกับกิเลสเกิดร่วมกันไม่ได้ แต่ถ้าหากเราหักตามรู้สภาวะเรื่อยๆอย่างเนี้ยใจหนีไปคิดแล้วรู้ไหมลองคิดดูดับถามเนี่ยรู้สึกไหมว่าพอรู้ว่าคิด่ใจมันค้ายๆมันตื่นขึ้นมารู้สึกไหมภาวะแห่งความตื่นเนี่ยเกิดขึ้นเองอะเพราะงั้นภาวะแห่งความมีสตินี้เกิดขึ้นมาเองอ่ะไม่ได้เจตนาให้เกิดนะเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไห ม, มอยากพูดรู้ไหมหยุดอย่าเพิ่งพูดดูความอยากของตัวเองไปถ้าจะพูดก็คืออยากถาม ไม่เห็นว่าอยากถูกความอยากบงการให้พูดแล้วก็ถามถามเสร็จแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จํำไหมไม่ได้ทำมากสักทีเห็นปัญหาอยากพูดตันขึ้นมาเห็นมันนะรู้ทันมันมันครอบงําใจไม่ได้มันเกิดแล้วมันดับปั๊บจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะตื่นขึ้นฉับพลันเลยนะเพราะงั้นเวลาเรียนเนี่ยไม่ต้องถามนะเวลาเรียนไม่ต้องคิดมากสภาวะอะไรปรากฏขึ้นในจิตใจนะรู้ตรงๆเข้าไปแต่อย่านั่งจ้องไว้ก่อนนะ อย่างตอนเนี้เผลอแล้วรู้ไห ม, มย่าตอนนี้ไม่รู้แล้วตอนนี้อยากพูดเนะนี่ยหนีไปอีกแล้วอ่าหนีไปคิดสังเกตไหมพอรู้ทันเนี่ยใจโล่งขึ้นมารู้สึกไหมใจสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นในฉับพลันเลยนะเนี่ยคือความมีสติขึ้นมานะแล้วจิตใจของเราก็จะเกิดความตั้งมั่นอยู่กับตัวเองทันทีที่เกิดสติจิตก็เกิดกุศล ทันทีที่จิตเกิดเป็นกุศลจิตมีความสุขทันทีที่จิตมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจิตใจของเรามีความสุขจากการที่รู้รู้กายรู้ใจตัวเองนะจิตก็จะมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้ <systematic> กาย ร, ร, รู้ใจนะจิตที่ตั้งมั่นรู้กายรู้ใจได้ว่าสัมมาสมาธนะิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะ <fut bol ism> เราทำไม่ได้หมดเลยนะปัญญาก็เจตนาไม่ได้ ปัญญาที่จงใจทําขึ้นมาก็ปัญญาจอมปลอมสมาธิที่จงใจบังคับจิตให้นิ่งขึ้นมาก็สมาธิจอมปลอมสติที่จงใจสร้างขึ้นมาก็สติจอมปลอมดังนั้นต้องทําต้นทางการปฏิบัติให้ถูกต้นทางการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คืออนุปัสนาไม่ใช่วิปนะัสนาอนุปัสนากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนา อ น, นุปั ส, สนาแปลว่าอะไรปั ส, สนาแปลว่าการรู้การเห็นอ น, นุแปลว่าตามตามรู้ตามเห็นกายอยู่เนืองเนืองตามรู้ตามเห็นเวทนาเนืองเนืองตามรู้ตามเห็นจิตเนืองเนืองคำว่าตามรู้หมายความว่ากายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แกล้งทำขึ้นมานะเมื่อกี้พยักหน้ารู้ไหมเนี่ยรู้ว่าจิตถึงจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นไอ้ที่ว่ารู้เนี่ยไม่ใช่รู้จริงเลย แต่ว่าเพ่งเอาไว้อ่านะมันไม่ใช่รู้จริงนะไม่ใช่รู้ตื่นแต่มันรู้แบบเข้าไปตรึงไว้เพ่งไว้ใช้ไม่ได้หรอกเราะงั้นต้นทางการปฏิบัติจริงๆท่านถึงสอนเ น, นี่ยสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเดียวเลยสติปัฏฐานทําไปเพื่อสองอย่างเพื่อให้เกิดสติในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดปัญญาในเบื้องปลายเมื่อสติปัฏฐานท่านสอนทําไปเพื่ อ, อยาน คือปัญญากระทาไปเพื่อความมีสตนะิวิธีทำสติปัฏฐานไม่ใช่เอาความอยากมานำหน้ามานั่งจ้องกายมานั่งจ้องจิตมาเพ่งกายเพ่งจิตไม่ใช่กายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะเขาเป็นแต่ก่อนรู้ที่หลังนะอันนี้อยู่ในขั้นทําให้สติเกิดอย่างเมื่อกี้ไปยักหน้าอีกแล้เห็นหใจลอยไปแต่ไปยักหน้าเนี่ยความตื่นมันเป็นอย่างนี้ รู้สึกไหมว่าจิตมันตื่นนะมันไม่เหมือนที่คุณทำอยู่รู้สึกไหมที่ทำอยู่ไม่ได้ตื่นจริงนะเนี่ยภาวะแห่งความตื่นอยู่ตรงนี้สังเกตไหมใจสงบนะใจนี่โล่งว่างเลยรู้สึกไหมใจแช่มชื่นเบิกบานรู้สึกไหมนะเนี่ยองค์ประกอบของกุศลนะครบเลยจิตเบาจิตนุ่มนวลจิตว่องไวนี่ห น, นีไปคิดละรู้สึกไหมเนี่ยพอรู้สึกแล้วมันตื่นขึ้นมาอย่างเนี้ย ตื่นขึ้นมาได้แวบหนึ่งเดี๋ยวก็จะไหลไปคิดใหม่เนี่ยไหลไปคิดใหม่ละรู้ไหมห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้าไไดการที่เห็นว่าบังคับไม่ได้เนี่ยตัวปัญญาสติเป็นตัวระลึกได้ว่าอะไรเกิดขึ้นอยากพูดเราก็รู้นะมันมันหนีอยากพูดแล้ ว, ร, นะนนลวรู้ไหมอย่าเพิ่งพูดถ้าเรียนด้วยการถามนล้วกี่ชาติก็ไม่รู้เรื่องนะ อดทนนะเรียนอย่าตำมาสม า, สมาดุนะเวลาเรียนให้เอาจริงให้ได้เอาให้ได้เนะี่ยบางคนบอกโหดมากเลยอยากพูดไม่ให้พูดเลยอึดอัดแทบตายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอยากถามเนีกิเลสมันหลอกให้ถามความคิดมันเกิดขึ้นความสงสัยก็เกิดพอความสงสัยเกิดก็ตัญหาอยากถามอยากถามลงมือถามถามแล้วก็จําจําแล้วก็เก็บเป็นความจําไว้แล้วก็บอกว่ามีความรู้ ความจำกับความรู้คนละอันกันนะความจำไม่ใช่ปัญญานะหนีไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยเที่ยวหามันไม่เลิอกอะ่ะรู้ไหมเนี่ยต้องอย่างนี้ไม่เหมือนกันดูห อ, อกไหมอันหนึ่งเนี่ยจิตถลำเข้าไปยึดอารมณ์อันหนึ่งจิตตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงหลวงพ่อเทียนต้องการให้ตื่นขึ้นมาเ น, นี่ยหนีไปคิดรับไหมเห็นไหมบังคับไม่ได้หรอกจิตมันจะคิด วันนี้พอละวันนี้เรียนเท่าเนี้ยคนอื่นบ้าห <c oughs> นีไปคิดอีกละเห็นไหม <c oughs> รู้ให้ทันนะคุณสองคนนั้นมาจากไหนเคยมาไหมไม่เคยอ๋อเหรอหลวงพ่อแก่แล้วต้องเห็นหน้าบ่อยๆถึงจำได้เจ <c oughs> ันจุนนี่เห็นกันหลายปีจำได้ <c oughs> ลืมชื่ออีกละ จักเป็นไงจักือเออดีมีโมหะไม่ใช่ดีที่มีโมหะนะดีที่รู้ว่ามีโมหะ<ม>โยอโยโยชักเคลืล่อนละนพอเริ่มไล่ก น, นนั้น็นนี้โยเลยชักเคลื่อนไงโบส่งกันบ้านสิภาวนาเป็นไง ก็ดีแล้วนะสมพงศ์ดีกว่าครั้งก่อนเยอะเลยรู้สึกไห ม, ม, มคือจริตของคนไม่เหมือนกันนะบางท่านเนี่ยท่านเดินมาท่านเดินจนทะลุของท่านนะเวลาสอนท่านก็สอนเดินบางท่านท่านนั่งอดบางท่านอดข้าวแล้วภาวนาดีท่านก็สอนลูกศิษย์อดข้าวอย่างสมัยก่อนทางเมืองจันท์ มีครูบาอาจารย์สององคนะ์ท่านพ่อหลีรู้สึกเอท่านพ่อหลีกับท่านพ่อคงมาสององค์องค์หนึ่งชอบอดข้าวองค์หนึ่งชอบอดนอนนะใครชอบอดนอนก็ไปอยู่กับองค์นี้จําไม่ได้องค์ไหนท่านพ่อหลีต้องจะชอบอดข้าวต่ั ง, งเป็นโรคกระเพาะส่วนท่านจันทร์ตั้นเน่ะต้องฉันข้าวแล้วก็นอนด้วยถึงจะภาวนาดีนะแต่และองค์ไม่เหมือนกัน เราดูจริตเรานะเราไม่ใช่ปรับตัวตามอาจารย์เราต้องดูว่าจริตของเราเป็นยังไงทําแบบไห น, นสติเกิดบ่อยก็ทําอย่างนั้นอย่างเวลาครูบาอาจารย์แต่ละท่านศึกษามาเนี่ยท่านศึกษามาแบบไห น, นท่านก็มักสอนแบบนั้นกระทั่งหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลีไปถามหลวงปู่คําองคองําไม่ถามเยอะ แล้วก็ไม่ไปนั่งเป้าหลวงปู่ด้วยนะทำเองทำของเราเองทำไปสามเดือนสี่เดือนไปตรวจสอบทีถูกไม่ถูกไปตรวจครั้งที่หนึ่งผิดหมดเลยที่ทำสามเดือนนะครับครั้งที่สองท่านบอกเออครั้งแรกผิดหมดเลยก็มาทำต่อหลังจากนั้นไม่เอาแล้วไม่สงสัยอยีกนะเพราะงั้นเวลาเรียนเนี่ยเรียนเราก็ทำด้วยตัวเองนะ ไม่มีครูบาอาจารย์มาเฝ้าดังนั้นหลวงพ่อจะไม่ชินเลยกับการที่มีครูบาอาจารย์มาควบคุมการทํากรรมฐานสังเกตไหมเวลาสอนจะไม่เคยมาคุมพวกเราไปทำมาเองนะอยากดีก็ต้องคุมตัวเองให้ได้นี่ครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนคุมเข้มงวดอสําหรับท่านนี้ท่านคุมเข้มงวดดงนั้นเวลาท่านแจ่มแจ้งแล้วท่านก็มาคุมลูกฝีเข้มงวดอีกฮ จริงๆแล้วครูบาอาจารย์ก็จะสอนไปตามจริตนิสัยของท่านแล้วก็เลือกเอาทางที่ดีก็คือจับหลักปฏิบัติให้ได้จับแก่นของมันให้ได้แล้วก็จริตละเหมาะกับวิธีการแบบไหนก็ใช้วิธีการอันนั้นอย่างบางองค์จะไม่ให้ทำสมาธิเลยท่านก็สุดทางของท่านได้อีกองค์หนึ่งต้องทำสมาธินะั่นไม่ทำไม่ได้เลยท่านก็ไปของท่านได้ ลูกศิษยคราวนี้แยกหลายสำนักละองค์นี้ท่านดูกายมาท่านสอนกายองนี้ท่านดูจิตท่านสอนจิตเพราะลูกศิษเข้าไม่ถึงแก่นของธรรมะเพราะเริ่มเถียงกันอันไหนถูกกันไหนผิดะที่ผิดนะ่ะลูกศิษยผิด <c oughs> <c oughs> คือไม่ดูตัวเองะเงั้นอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูลสอนนี่นะสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยะบางคนท่านสอนให้พิจารณาผมด้วยซ้ำเลย ผมเส้นเดียวหลวงพ่อคืนให้ดูผมเส้นเดียวหลวงพ่องานให้ดูกระดูกบางท่านท่านก็สอนให้ดูจิตอย่างเดียวไม่เหมือนกันหรอก ท, ท่านจะดูจริตสอนให้ครูบาอาจารย์รุ่นต่อตมมาไม่เห็นว่ามีองค์ไหนรู้ว่าลู้ฝีควรจะมีจริตอย่างไรนะไก็จะสอนอย่างที่ท่านเป็นเหมือนพวกเราก็อย่าทำตามยาถา ก, กรรมนะ ต้อถือหลักว่าเราลุกเสร็จพระพุทธเจ้าเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเสร็จแล้วก็มาดูว่าเอเสจริตของเราเนี่ยเป็นตันหารจริตนะเราจะต้องรู้กายหลักจะรู้กายได้ดีต้องทําสมถะก่อนนะแล้วเราามีจริตแบบไหนจะเลือกสมถะยังไงต้องมีเหตุมีผลนะไม่ใช่ทำดุยดุยเห็นเขาหายใจก็จะหายใจกับเขาบ้างอนะไรอย่างเงี้ยเขาหายใจแล้วเขาได้ผลเราหายใจแล้วหลับลูกเดียวก็มี ัไม่มีรูปแบบสำเร็จรูปของการปฏิบัติดูตัวเองงานแรกเลยที่ต้องทำนะวิเคราะห์ตัวเองให้ออกตะกอนอันแรกเลยเราเป็นตันหาจริตหรือเราเป็นพิธิจริตเราเป็นพวกโลภมากหรือเป็นพวกคิดมากพวกโลภมากเช่นพวกชอบความสบายชอบความสนุกชอบความสงบนี่พวกโลภมากนะชอบสงบวันวันไม่อยากยุ่งกับใครก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มตันหาจริต โลภในอารมณ์ที่ละเอียดมีราคะรูปปาราคะรูปราคะพวกที่โลภมากชอบของสวยของงามนี่ก็พวกโลภมากพวกนี้เหมาะที่จะรู้กายเพราะว่าพวกโลภมากเนี่ยจะวันๆจะวิ่งหาความสุขการที่มาคอยรู้กายอย่าเห็นเลยกายนี่เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยวิ่งหาความสุขยังไงกายนี่แหละตัวทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขหาไม่ได้จริง มันดัดนิสัยพวกลบมากนี่ถ้าเราเป็นพวกลบมากมีเงื่อนไขก่อนจะมารู้กายควรจะทําสมถะซะก่อนเพราะกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะยานิกงั้นอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทำสมถะแล้วท่านมารู้กายถูกตําราเปะ๊ะอท่านได้ผลของเรารุ่นหลังๆนี่จะรู้กายเลยรู้กาย สมมติฐานไม่มีกลายไปหลงเพ่งกายหมดเลยหรือไปรู้สมมุติปัญญัติของกายไม่รู้รูปเนี่ยเห็นอะไรเห็นพระยกมือเนี่ยนี่ไม่ใช่รู้รูปนะไม่ใช่รู้กายจริงกายเห็นกายกายกายานุปัสนาธรรมแล้วจะเป็นวิปัสนาคือเห็นตัวรูปจริงๆยากนะมันต้องมีสมาธิหนุนหลังถึงจะเห็นง่ายนี่อีกพวกหนึ่ง นะถ้าเราเป็นพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากนะพวกชอบวิพาวิจารพวกชอบออกความเห็นเห็นใครเ็าทำอะไรก็ออกความเห็นไปเรื่อยเลยได้ออกความเห็นแล้วมีความสุขนะถ้าไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้ออกความเห็นแล้วกลุ้มใจพวกนี้เรียกว่าพวกทิฏฐิจริตพวกนี้เหมาะที่จะดูใจตัวเองนะใจมันฟุ้งซ่านน่ะนถึงคิดมากนะให้รู้ไปหเห็นเลยใจในี่เปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยนะ การที่จะยึดถือความคิดความเห็นของตัวเองก็จะค่อยๆลดลงลดลงเห็นตัวเองนะั้นแหลายหลายใจจะม่เริ่มไม่ไปรคคัดค้นคนอื่นแล้ว น, นี่พวกที่ดูจิตเนี่ยทําสมถะเล็กน้อยก็พอไม่ต้องทําแนบแน่นหมายถึงว่าเวลาเราเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตจนจิตมันฟุง้งซ่านมากๆก็พักถ่อนทําสมถะไม่ถึงฌานไม่เป็นไร ถ้าทำสมถะแล้วจิตใจมันชุ่มชื่นเราก็ค่อยรู้ใหม่ถ้าไม่ทำเลยนะั้นยิ่งดูไปเราบางทีจิตฟุ้งอารมณ์เกิดทียิบเลยเกิดดับวั๊บปัปั๊บปับบบบบบบบ๊ดูไม่ทันดูไม่ทันทำสมถะนิดนึงนะแล้วดูใหม่มันจะมาช้าๆพุทธเจ้าสอนถึงว่าจริตมีสสายอย่างนี้นะมีแล้วก็สมถายานิสกวิปัสสนายานิก็ไม่ได้แปลว่าพวกที่จะทำด้วยวิปัสสนายานิเนี่ยไม่ต้องทำสมถะ พระพุทเจ้าสอนเราทำมาที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะและวิปัสสนาจะ ต, ต้องเจริญด้วยปัญญานะเราจะทำอะไรแค่ไหนจะทำสมถะระดับไหนนี่ต้องรู้จะทำตอนไหนต้องรู้อย่างเวลาที่ควรจะเจริญสติเอาเวลานั้นไปทำสมถะเนี่ยนี้เสียประโยชน์หรือเวลาที่จิตฟุ้งซ่านก็จะขยันไปเจริญวิปัสสนานะนี่ก็ทำไม่ไหว เราก็ต้องรู้จังหวะของตัวเราเองจังหวะนาฬิกาของตัวเราเองไม่เหมือนคนอื่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลานี้ควรทำอันนี้เวลานี้ควรทำอันนี้ไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนเราก็ดูว่าจังหวะไหนของเราช่วงไหนควรทำอะไรอย่างอาตมาสังเกตตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสเนี่ยตอนเย็นๆนะ่ะเจริญสติดีนะาประหลาดกับทางบ้านเขา คนส่วนมากเขาเช้าเช้าเจริญดีแต่มาเย็นเย็นเจริญดีสี่โมงเย็นไปแล้วเนี่ยภาวนาดีสติเกิดทียิบเลยมาสังเกตดูทําทไมมันเป็นประหลาดอย่างนี้นอ๋อเราเป็นคนเมืองตื่นขึ้นมาตีห้าตาลีตาลานจะไปทํางานแล้วมันเจริญสติอะไรไหวอะ่ะตอนเย็นมันใกลยย้จะเลิกงานแล้วสบายใจมันดูนตามรู้ตามดูง่ายมันไม่ใช่ว่า แาวเช้าดีทุกคนหรือเย็นเย็น่ย่าแย่ทุกคนไม่ใช่นะดูตัวเราเองเียเราวิเคราะห์ตัวเองให้ได้วิเคราะห์ตัวเองได้เราก็เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตของเราเนี่ยเราอยากดูจิตแล้วก็เฝ้ารู้ไปนถ้าเราเป็นพวกคิดมากอย่านั่งถามคิดมากดูใจของตัวเองไปเรื่อ ย, อยมันอยากถามก็รู้ไปอยู่เรื่อยถ้าดูไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็ทําสมถะนี่สมถะ ของพวกคิดมากเนี่ยทำฌานไม่ไหวหรอกเพราะมันคิดมากนแล้วก็หาอารมณ์ที่สบายใจนะเช่นหาหนังสือธรรมะมาอ่านให้สบายใจเนี่ยใครอ่านวิมุตต์อ่านแล้วสบายใจไปอ่านวิมุตต์ปฏิปทาใครชอบเครียดเครียดอ่านประทีปส่องธรรมเนะีนะ่ยแต่จริีนิสัยบางคนต้องนั่งยากยากว่ า, า, าถึงจะรู้เรื่อ ง, งอืมเนี่ยฟุ้งมากเนี่ย มันฟุ้งมากและนั้นมันฟุ้งนะรู้ที่ใจเรารู้สึกไหมใจเรามันดิบดิ้นมันดิ้นแรงเวลามันอยากพูดมันดิ้นอย่างรุนแรงใช่ไใจเราจะกระโจนอย่างแรงค่อคอยสู้มันนะคอยรู้ทันมันของคุณจุดอ่อนอยู่ตรงนี้นะถ้าไม่จัดการตรงนี้เล่นยากเนี่ยอยากพูดล่ะรู้สึกไหมมันเร็วนะจิตเป็นของเร็วนะแต่เราต้องฝึกสติของเราให้เร็วขึ้นเรื่อย โดยการหัดรู้ไม่ใช่มันเร็วแล้วท้อแท้ยอมแพ้มันนะคอยหัดรู้ได้ๆใหม่ๆก็รู้ไม่ทันหรอกต่อไปก็รู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่เกาะถ้าเกาะก็เป็นสมถะทำไมเกาะต้องรู้อีกทำไมทำสมถะแล้วไปเกาะ อ, อารมณ์มันเดียวเพราะว่าสมถะเนี่ยทำเพื่อให้ใจสงบจิตใจไม่สงบเพราะจิตเที่ยวจับอารมณ์น้นทีจับอารมณ์นี้ที ถ้าเราทํามาจับอยู่อารมณ์มันเดียวมันจะได้สงบนะแล้วเคล็ดลับของการทําจิตให้สงบคือจิตมีสมาธิต้องมีความสุขนะมีอภิธรรมสอนไว้เลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นถ้าเราลงมือหายใจด้วยความเครียดออืย่เี้รับรองไม่สงบอะ่ะนะเรียกว่าทําอย่างไม่มีความสุขแต่ถ้าหายใจเล่นๆทําสบายๆทําเบาๆนะแป๊บเดียวก็สงบนะ พอมันสบายแล้วมันเลยสงบไม่ใช่สงบแล้วสบายนะบางคนคิดว่าจิตมีสมาธิแล้วมีความสุขเยอ ะ, ะสมาธิละเอียดขึ้นไปเนี่ยจิตมีอุเบกขาไม่สุขหรอกบมงทีเราเรียนธรรมะเรากระปัวกับหางเอาตามใจชอบนะเ <c oughs> นี่ยหนีไปละทราบไหมงั้นเราก็ต้องวิเคราะห์นะถ้าเราเป็นตัณหาจริตเราก็มารู้กายถ้าเราเป็นทิฏฐิจริตเราก็ดูจิต ถ้าเป็นตันหาจริตต้องทำสมถะเยอะแล้วก็มาดูอีกว่าเราจะจริตแบบไหนควรแก่สมถะอย่างไหนะวิธีทำสมถะมีสี่สิบอย่างนะแล้วก็ดูเราเป็นพวกราคาจริตนะเหมาะกับการยินาสุภาษนะเราเป็นพวกขี้โมโหเหมาะกอาเจริญเมตตาเราเีนะ้ามาเลือกนะขี้โมโหแผนเมตตาเรื่อยๆนะใจค่อยอ่อนใจค่อยนุ่ม นั้นเราต้องวิเคราะห์ตัวเองนะเห็นไหมใครรู้สึกบ้างว่าใจไปแล้วนะบางคนไปด้วยจิตเป็นกุศลอย่างสมพง์เนี่ยไปด้วยจิตเป็นกุศล <c oughs> ช่วยยกก้าอี้นะใครรู้สึกตัวเรื่อยๆเราไม่ห้ามนะเพราะว่าจิตเป็นของห้ามไม่ได้หน้าที่ของเราคือรู้สึกบ่อยๆไงใครใจลอยบ้างแล้วดี ทำจริงใจลายหมดเลยแหละไม่อยอมยกมือฟ่ <c oughs> างฟอม